สัมผัสสยองวิญญาหลอนจากงานศพเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาได้เกิดเรื่องชวนคนหัวลุกในบ้านของแนนเองบ้านที่แนนอยู่เป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงมีสามห้องนอน และมีห้องครัวแยกออกจากตัวบ้านหนึ่งห้องแนนพักอยู่ในบ้านนั้นกับโลลาพี่ชายของแนนอีกหนึ่งคนเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝนกำลังเริ่มตกแนนนึกได้ว่าตากผ้าไว้หลังบ้านเธอจึงรีบออกไปเก็บผ้าก่อนที่จะโดนฝนจนเปียกพอแนนเก็บผ้าใส่ตะกร้าเสร็จเธอก็เดินกลับเข้ามาในบ้านแต่ช่วงที่กาลังจะปิดประตูบ้าน เธอก็เหลือบไปเห็นร่างหนึ่ง้ครผู้ชายสวมชุดสีแดงยืนอยู่หลังบ้านแต่แนนก็ทำเป็นมองไม่เห็นลาวปิดประตูด้วยสีหน้าเรียบเฉยที่แนนไม่รู้สึกตกใจกับชายแปลกหน้าหลังบ้านก็เพราะแนนมักจะเห็นวิญญาณตามที่ต่างๆจนชินวิญญาณของชายชุดแดงก็เป็นหนึ่งในวิญญาณ ที่มาปรากฏตัวให้เธอเห็นอยู่เป็นประจำแนนเห็นวิญญาณแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรเธอจึงทำเฉยแล้วปิดประตูบ้านจากนั้นก็ไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนกับลูกคืนนั้นเองแนนอนไปได้ไม่นานนักก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงยายของเธอเรียกจึงพยายามเงียหูฟัง แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกสักพักลูกบิดประตูห้องนอนเธอก็ดังขึนเหมือนมีคนพยายามบิดลูกบิดประตูพอเสียงลูกบิดเงียบไปก็ได้ยินเสียงหน้าต่างมุงลวดเปิดออกเธอสงสัยว่าหน้าต่างห้องของเธอมีเหล็กดัดอยู่ด้านนอกแล้วจะมีคนเปิดมุงลวดที่หน้าต่างได้ยังไงอีกทั้งบ้านของเธอ ก็เป็นบ้านที่ยกพื้นสูงไม่น่าจะมีคนปีนขึ้นหน้าต่างได้แนนยังคงนอนสงสัยอยู่บนเตียงโดยมีลูกน้อยนอนอยู่ข้างๆไม่ไกลจากตัวเธอมากนักแนนรู้สึกว่าที่นอนตรงปลายเท้าของเธอยุบตัวลงคล้ายกับว่ามีคนขึ้นมายืนอยู่บนเตียงของเธอเมื่อมองไปที่ปลายเตียงก็เห็นเงาดาร่างใหญ่ยืนอยู่ เงานั้นจู่โจมเธอโดยที่เธอนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวแนนรู้สึกเหมือนโดนของหนักทับที่อกเธอตกใจมากคิดว่าคงโดนผีอัมเข้าให้แล้วจึงรีบหลับตาแล้วสวดมนต์ไม่นานความทรมานที่โดนเงาดำขึ้นมาทับตัวก็หายไปแนนได้ยินเสียงหน้าต่างมุงลวดเคลื่อนปิด แล้วห้องก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งเงียบจนแนนได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นถี่ได้ความกลัวแนนรวบรวมสติอุ้มลูกน้อยที่ยังหลับอยู่ลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินออกไปจากห้องเธอเห็นพี่ชายกําลังนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาจึงถามพี่ชายว่า ได้ยินเสียงยายที่อยู่บ้านค้างๆมาเรียกเธอไหมพี่ชายก็ตอบว่าไม่ได้ยินเสียงใครเรียกเลยแล้วก็ถามแนนกลับว่ามีอะไรรอเปล่าแต่แนนก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ระหึกที่เกิดขึ้นในห้องนอนเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันไปเธอจึงตอบพี่ชายไปว่าไม่มีอะไร แล้วก็พาลูกกลับไปเข้านอนคืนถัดมาขณะที่เธอกาลังนอนอยู่ก็มีเสียงเปิดหน้าต่างมุงลวดเข้ามาเธอรู้สึกโดนอําเหมือนกับคืนก่อนแล้วก็รู้สึกแน่นหน้าอกจนแทบหายใจไม่ออกจึงสวดมนต์ในใจจนหลุดออกมาได้พร้อมกับได้ยินเสียงหน้าต่างมุงลวดเคลื่อนปิดเหมือนเดิมครั้งนี้ แนนมั่นใจมากว่าไม่ใช่ความฝันเธอเรีบหันไปมองลูกน้อยด้วยความเป็นห่วงแล้วก็โล่งใจที่ลูกหลับสบายดีจึงพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนอนต่อด้วยความง่วงจนถึงเช้าในคืนที่สามขณะที่แนนกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นจู่ๆ เธอก็รู้สึกเหมือนถูกจับที่แขนแล้วกระชากอย่างแรงให้ลูกออกจากเตียงแนนยืนอยู่ข้างเตียงเมื่อมองไปยังลูกที่นอนอยู่เธอก็เห็นร่างของเธอนั้นนอนอยู่ข้างๆลูกของตัวเองแนนตกใจและกลัวมากเธอรีบหันไปดูว่าใครกันที่เป็นคนจับแขนขุงเธอไว้แล้วมันก็ทําให้แนนช็อกมาก เพราะร่างที่ยืนอยู่ข้างแนนนั้นคือเพื่อนของเธอที่พึ่งตายไปไม่นานนี้แนนสะบัดแขนอย่างแรงจนหลุดแรงเวียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงกับลูกเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้แนนกลัวมากจนนอนไม่หลับเลยทั้งคืนรุ่งเชา้า แนนจึงขอให้พี่ชายพาไปทำบุญให้กับเพื่อนคนนั้นตอนกรวดน้ำเธอก็อธิษฐานขอให้เพื่อนอโหสิกรรมให้ที่เธอนั้นไม่ได้ไปร่วมงานศพที่ผ่านมาเพราะต้องดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่หลังจากนั้นแนนก็ไม่เคยเจอวิญญาณของเพื่อนคนนี้อีกเลย มันแอ บ, บอยู่ในกระทอมเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วเมื่อสมัยที่ตาชายยังเป็นวัยรุ่นบ้านของตาเป็นหมู่บ้านในชนบทปกครุมไปด้วยป่าเขาเทคโนโลยีสมัยนั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกขนาดเสาไฟฟ้ายังไม่มีเลยตอนนั้นตาออกไปทำนากับน้องชายอีกหนึ่งคนกว่าจะทำนาเสร็จ ก็ใกล้ค่ำแล้วจึงจุดตะเกียงที่นำไปด้วยแล้วชวนน้องชายเดินกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรระหว่างทางที่เดินกลับจูจ่ๆฝนก็ตกลงมามีลมพัดแรงและฝนก็ตกลงมาแรงขึ้นเรื่อยๆพวกเราวิ่งหาที่หลบฝนกันเข้าไปในป่าเพื่อที่จะหาต้นไม้ใหญ่จนไปเจอกระท่อมร้างหลังหนึ่ง ซึ่งน่าแปลเพราะกระท่อมนี้ตากับน้องชายไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ตอนนั้นตาก็ไม่ได้คิดอะไรขอให้มีที่หลบฝนได้ก็เพียงพอแล้วพวกเราเข้าไปในกระทร่อมหลบฝนกันอยู่นานแต่ฝนก็ยังไม่หยุดเสียทีโชคดีที่อาหารเที่ยงที่เราพกมาด้วยยังพอมีเหลืออยู่ก็กินประทังความหิวสักพัก ด้วยความหมอนเพลีย์ที่ทำนากันมาทั้งวันตาก็เริ่มจะง่วงจึงบอกกับน้องชายว่าคืนนี้เรานอนในกระท่อมก่อนตอนเช้าค่อยกลับบ้านก็แล้วกันเมื่อจัดแจงที่ทางเสร็จแล้วก็นอนหลับไปโดยมีแสงไฟจากตะเกียงส่องสว่างเพียงเท่านั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ตาก็ได้ยินเสียง เหมือนมีคนเดินอยู่ในกระทอมจึงปลุกน้องชายให้ตื่นลาวชูตะเกียงส่องไปยังที่มาของเสียงนั้นภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทำให้ตาถึงกับช็อกเพราะนั่นคือเงาดำของชายคนหนึ่งซึ่งตัวใหญ่มากเขากำลังยืนหันมามองตากับน้องชายทำให้พวกเราตกใจสุดขีดรีบคว้าข้าว ข, ของ แล้ววิ่งกวยอ้าวออกไปจากกระทอมพอออกมานอกกระทอมแล้วจึงหันหลังกลับไปดูก็เห็นเงาดำนั้นตามออกมาตาจึงคว้างตะเกียงไปที่เงาดำนั้นแต่ตะเกียงกลับทะลุร่างนั้นไปตกไปยังพื้นกระทอมแตกกระจายเกิดเป็นไฟลุกท่วมเหากระทอมวาดไปทั้งหลังแล้วเงาดำที่ตามออกมา ก็ค่อยๆเลือนหายไปเมื่อเห็นดังนั้นตากับน้องชายก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตล้มลุกคลุกคลานจนไปเจอวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดจึงวิ่งเข้าไปตอนนั้นพระอาทิตย์เริ่มพ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วทำให้ตากับน้องชายรู้สึกโล่งใจขึ้นทั้งสองไปนั่งพักที่ศาลาในวัดแล้วก็นอนสลบไปด้วยความมอนเพลีย เวลาผ่านไปพักใหญ่ตาก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงของชาวบ้านที่มามุงรอบๆตากับน้องชายทุกคนสงสัยว่าทำไมตากับน้องชายถึงมีสภาพสะบักสะบอมอย่างนี้ตาจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านและพระนในวัดฟังพอตาเล่าเรื่องที่เจอมากับน้องชายให้ทุกคนฟังแล้วหลวงพ่อก็พูดกันมาว่า เมื่อนานมาแล้วที่กระท่อมหลังนั้นเคยมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังเขามีอาชีพทำไรท่ทำสวนพอมีพอกินประทังชีวิตไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งก็มีโจรเข้ามาปล้นชายคนนั้นแต่ด้วยความโจนจึงไม่มีทรัพย์สินใดๆให้ทำให้โจรคนนั้นโกรธมากฆ่าชายผู้โชคร้ายและปล่อยให้ตาย นอนจมกองเลือดหยุดตรงนั้นด้วยที่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วจึงมักจะออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านแถวนั้นเห็นอยู่บ่อยๆจนทำให้ชาวบ้านแถวนั้นกลัวไม่มีใครกล้าเดินผ่านกระท่อมหลังนั้นอีกพอตาได้ฟังก็ขนลุกในทันทีครอดีที่ตากับน้องชายรอดออกมาจากกระท่อมหลังนั้นได้ เตตาก็ยังรู้สึกผิดที่เผากระท่อมโดยไม่ตั้งใจจึงขอหลวงพ่อให้ช่วยทำพิธีอุทิศบุญกุศลให้วิญญาณของชายคนนั้นโดยหวังว่าเขาจะไปสู่สุคติไม่ต้องคอยหลอกหลอนผู้คนอีกต่อไปรงเบียหลอนซ่อนแอบ เมื่อตอนที่ฝนเรียนอยู่ชั้นป .2 ออพ่อแม่ของฝนทางานอยู่โรงงานเบียแห่งหนึ่งที่โรงงานนั้นจะมีที่พักให้คนงานเป็นที่ดินลานกว้างหลังโรงงานให้คนปลูกบ้านเองมีคนงานไปสร้างบ้านพักอยู่หลายหลังบ้านของฝนอยู่หลังท้ายายติดกับต้นโพซึ่งต้นโพก็อยู่บนที่ดินนี้มานานแล้ว ตอนนั้นฝนยังเด็กจึงไม่รู้ประสีประสาอะไรมากและไม่คิดว่าจะได้เจอผีเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอคืนหนึ่งพี่ๆแถวๆบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกันก็มาชวนฝนและเพื่อนๆ เ, เข้าไปเล่นซ่อนแอบในโรงเบียแห่งนั้นฝนซึ่งเป็นเด็กอยู่เห็นพี่ๆทำอะไรก็ทำตามตลอด เธอจึงได้ตามเข้าไปเล่นซ่อนแอบในโรงเบียคืนนั้นด้วยเด็กที่เข้าไปเล่นในคืนนั้นมีทั้งหมด8คนมีเคเบิร์ดโบบุงเอ็กซ์แอลซึ่งเป็นรุ่นพี่และหนุ่มกับฝนที่เป็นรุ่นน้องอายุเท่ากันภายในโรงเบียนั้นมืดมาแต่ด้วยความคึกขนองของเด็กๆ จึงไม่มีใครรู้สึกกลัวก่อนเริ่มเล่นก็โอน้อยออกกันซึ่งพี่แอลได้เป็นคนหาโดยพี่แอลจะต้องจุดเทียนแล้วเดินตามหาคนอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในความมืดตามที่ต่างๆของโรงเบียร์เมื่อทุกคนแยกย้ายกันไปหาที่ซ่อนฝนก็วิ่งตามแบบอยู่กับพี่เบิร์เพราะด้วยท่าทางตุงติ้งของพี่เบิร์ ทำให้ฝนสนิทกับพีเบิดมากที่สุดฝนกับพีเบิดไปแอบใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งบริเวณนั้นจะมีกองไม้เก่าที่สูงพอจะเอาไว้เป็นที่กำบังได้ข้างๆนั้นก็จะมีบ่อ น, น้ำเล็กๆอยู่ด้วยพอแอบไปได้สักพักฝนกับพีเบิดก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนกำลังเดินลาาขาอยู่แถวๆนั้น คิดว่าพี่แอลคงกําลังเดินหาพวกเราอยู่ด้วยที่เป็นคนแอบฝนจึงไม่กล้าโผล่หน้าออกไปดูได้แต่หลบหลังกองไม้เก่าแต่เสียงนั้นก็เดินวนไปวนมาหลายรอบทําให้เราสงสัยมากว่าทําไมพี่แอวถึงวนเวียนอยู่แต่แถวนี้ฝนจึงค่อยๆโผล่หน้าไปดูเมื่อมองไปก็เห็นว่า คนที่เดินไปเดินมานั้นไม่ใช่พี่แอวเขาที่ยืนอยู่ห่างเพียงไม่กี่เมตรเป็นชายแก่มีรูปร่างลักษณะผอมแหง้งผมหยิกเหมือนเขาจะรู้ชายแก่คนนั้นหันหน้ามาทางฝนเมื่อฝนเห็นใบหน้าของชายแก่ก็ตกใจชายแก่คนนั้นก็ทําท่าจะเดินเข้ามาตรงที่ฝนกับพี่เบิร์ตซ่อนอยู่ ฝนรีบบอกกับพี่เบิร์ตไปว่าคนที่เดินมาหาเราไม่ใช่พี่แอลแต่เป็นลุงแกทำไงดีพี่เบิร์ตพอพี่เบิร์ตได้ยินก็ตกใจรีบบอกให้ฝนเบาเสียงลงแล้วก้มหลบก่อนเสียงผีเท้าของลุงแกก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆพุกเราตัวสัน่นพยายามก้มหัวมุดลงให้ต่ำจนแทบจะติดดิน ทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะโกนเรียกจากพี่ที่เล่นซ่อนหาด้วยกันว่าไอ้เบิร์ตไอ้ฝนออกมาได้แล้วเขาเจอกันครบหมดแล้วพี่เบิร์ตกับฝนรีบวิ่งออกจากที่ซ่อนในทันทีแล้วไปรวมตัวกับคนอื่นๆที่นอกโรงเบียร์เมื่อเห็นแล้วว่าทุกคนอยู่กันครบพี่เคจึงถามว่าเลิกเล่นกลางคันกันทาไมวะ เพียวก็พูดขึ้นมาว่าก็ตอนที่กูไปหาพวกมึงกูป้งโบกับบุงแล้วและกำลังจะไปตามหาพวกมึงต่อพอกูเดินไปตรงริมบ่อน้ำกูก็เห็นชายแก่ท่าทางแปลกๆดูรูปร่างลักษณะเหมือนกับลุงแก่กูก็หลอนสิก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วไอ้เอ็กซ์กับไอ้หนุ่มก็เข้ามาแปะ ก, กูพอดีก็ดีเหมือนกันกูอยากเลิกเล่นแล้ววะ่ะ พี่เอกจึงสวนกลับ ม, มาว่ามิน้าล่ะมึงดูหน้าตาตื่นเชียวดีนะที่มึงบอกพวกกูตอนออกมาแล้วพี่เบิร์ตก็ยังเสริมอีกว่ากูก็เจอถ้าพวกมึงไม่มาตามหาหรือเรียกพวกกูตอนนี้กูก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันหลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านแม้จะกลับมาถึงบ้านแล้ว แต่ฝนก็ยังรู้สึกกลัวอยู่จนนอนไม่หลับเราพยายามสวดมนต์และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นโพธิ์ที่อยู่ไกลบานช่วยคุ้มครองเราอย่าให้ลุงแก่ตามมาหาเราที่บ้านเลยแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายๆเกิดขึ้นกับเราหลังจากนั้นไม่กี่วันเราก็ได้มารู้ทีหลังว่า โรงที่เราไปซ่อนกับพีเบิร์ดบ่อน้ำเล็กๆนั้นเป็นบ่อน้ำที่เคยมีลุงขี้เมาคนหนึ่งตกลงไปแล้วจมน้ำตายโดยที่ไม่มีใครเห็นลุงคนนั้นก็คือลุงแก่ที่พวกเราเจอนั่นเองถึงแม้ตอนนั้นฝนจะยังเด็กแต่เมื่อนึกถึงการเจอผีครั้งแรกเราก็ยังหลอนไม่หายและยังคงจําเหตุการณ์นั้นได้ดี จนถึงทุกวันนี้ ส, สัมผัสสยอง